คหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่สิบหกเดือนตุลาคมพสองันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้จะพูดเรื่องการปฏิบัติตนในยามป่วยไขย้การปฏิบัติตนในยามป่วยไข้ ส่วนมากก็จะเป็นคำแนะนำของคุณหมอผู้เชี่ยวชาญสุขภาพก็จะมีคำแนะนำดีๆตอนสมัยที่คุณหมอจีนที่มาจากไต้หวันท่านมาช่วยดูแลความเจ็บไข้ของผมก็ได้คุยกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้บางอย่างเกี่ยวเรื่องความป่วยไข้คุณหมอท่านก็เล่ยฟังว่าคนที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่นั้นร่างกายอาจจะเป็นโรคร้ายที่รักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง ใช้เวลารักษานานมากท่านบอกว่าคนไข้สวมากก็จะไม่ค่อยมีกำลังใจท้อแท้แล้วก็คิดมากมีความมิตกกังวลต่างๆนามาบางเียอาการทางร่างกายเนี่ยก็พอจะเยอวย้ายหายได้ แต่พิงต้องอาศัยเวลาหน่อยก็จะไม่ค่อยทําใจกับคนไข้หรอกจะเห็นคนไข้เนี่ยมีความทุกข์มากคุณหมอก็เลยแนะนำคนไข้ไปว่า้เรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะเราต้องรู้จักทำใจเราให้ดีให้ถูกต้อง โ่ยการอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจกับโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นในตัวเราอย่าไปสนใจอย่าไปคิดอย่าไปกังวลมันให้ย้ายจิตใจมาอยู่ตรงที่จะทําอย่างไรให้ร่างกายเราแข็งแรงถ้ า, าใจเรามาอยู่กับร่างกายที่บอกว่าจะทําอย่างไร ที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงใจเราก็จะไม่ไปนสนใจกับโรคภัยไข้เจ็บใจมันจะไม่มีความกังวลนะความกังวลจะน้อยลงไปได้เมื่อเราไม่สนใจกับโรคภัยไข้เจ็บที่มันรุมเร้าอยู่อาการทางกายมันก็ดีขึ้นเพราะนั้น สุขภาพจิตเนี่ยถือว่าสำคัญมากถ้าสุขภาพจิตดีนี่การรักษาก็จะง่ายเป็นไข้ที่รับยาแล้วสุขภาพกายก็จะดีไปด้วยถ้าเราให้วางใจแบบนี้ว่าจะเปไปสนใจกับโรคไว้ใข้เจ็บ หันมาสนใจกับเรื่องร่างกายว่าจะทำอย่างไรให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วเวลาที่หมอคารักษาเราเนี่ยคือคุณหมอจีนนี่ก็จะมีวิธีการรักษาที่ใกล้คล้ายกันก็คือเรื่องของการกดจุดการเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเกี่ยวกับร่างกายของเราเช่นมาคนที่ไม่ค่อยเดิน ไปคอยลูกเดินบ่อยๆให้ออกกําลังกายเดินเร็วๆดึก็หักแขงแขนก็ใกล้ะก็จะแนะนําวิธีการออกกําลังกายสารพัดอย่างมันก็ช่วยให้ทางด้านร่างกายเนี้ยมีอาการดีขึ้นคือแข็งแรงขึ้นเนี่ยพอ ร, ร่างกายแข็งแรงนี่มันก็อยากจะทานอาหารแล้วก็นอนหลับการขับถ่ายก็สะดวก ก็แนะนำให้คนไข้เนี่ยปฏิบัติตนเองเนการที่ว่าหมอช่วยได้เพียงแค่นี้ให้คำแนะนำแล้วก็ให้วิธีการปฏิบัติตนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนไข้ต้องไปทำเอาเองถ้าอยากหายไวยมีอาการดีขึ้นคนไข้ต้องรู้จักทำเอาเองฝึกฝนตนเอง แล้วอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากร่างกายที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็จะมีดีขึ้นมาเรื่อยๆนี่ก็ได้คุยแลกเปลี่ยนกับคุณหมอก็ได้รับความรู้คุณหมอนอกจากจะรักษาทางด้านร่างกายเราแล้ ว, ลวก็ยังมีความรู้ต่างๆเป็นประสบการณ์ในฐานะที่ รักษาคนไข้มามากมายก็เลยเป็นการที่แบ่งปันความรู้ให้กับคนไข้คนอื่นเพื่อจะได้มีประสบการณ์วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อน